ถึงจังเลยมาเที่ยวบ้านฉันสิจากบ้านเธอมาบ้านฉันไม่ไกลสักเท่าไหร่เลยเด็กจ้าจากอุดรไปภูเก็ตเนี่ยนะไม่ไกลแหม่นั่งเครื่องบินมาเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองแหละจา้าไว้ฉันได้รับเงินเดือนงวดแรกก่อนสิแล้วจะบินไปฉลองกับเธอดนดจ้านี่ฝนเธ อ, อย่าบอกนะว่าเธอได้ทํางานแล้วนะ่ะถูกต้องแล้วจา้ายินดีด้วยนะใช่งานที่เธอไปสมัครสอบหรือเปล่างานราชการนะ่ะใช่แล้ว แม้นึกแล้วเชียร์ว่าเธอต้องได้เพราะเธอเรียนเก่งขนาดนั้นน่ะยังไงเขาก็ต้องอ้าแขนรับเธออยู่แล้วเลยนะรล้เธอละจ้ะสาวฉันทําไมหรอจบแล้วกลับไปอยู่ภูเก็ตสมัครสอบก็ทําทงานที่ไหนบ้างหรือยังอะยังเลยทำไมละจ้ะรู้สึกเหนื่อยการร่าเรียนมาซะหรึกเกินน่ะอยากจะพักให้หายเหนื่อยแล้วอยสมัครงานน่ะนี่งานราชการน่ะเขาเปิดรับสมัครเป็นเวลาเนะจ้ะไม่ใช่งานเอกชน ที่มีเปิดรับสมัครตลอดปีนะฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะว่าจะสมัครทํางานของรัฐหรือเปล่าทําไมละจ๊ะอุตสาหะเรียนมาตั้งเยอะแยะก็ควรจะช่วยประเทศชาติ้ามากนะเธอเงินเดือนถึงจะไม่ได้มากมายอย่างเอกชนก็ตามแต่เราก็ถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ควรจะอุทิศ ต, ตนเพื่อประเทศชาติฟังดูมีศักดิ์ศรีและเกียรติท่วมหัวเลยนะเธออาาวจริงๆนะสาวชื่อฉันสิภูเกนะ็ตน่ะยังมีการเกษตรอยู่ไม่ใช่หรอเพียบเลยละ่ะ สวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้แล้วก็ยังมีการประมงอีกวิจัยกันเข้าไปเหอะไม่มีวันสิ้นสุดหรอกนั่นแหละเธอควรจะอยู่ในทีมวิจัยพืชแล้วก็สัตว์นะเจ้าสาวเอาเห็นหน้าฉันจะลองทบทวนอีกครั้งแต่ก็ทำเป็นช้อยไว้เลือกแล้วละ่ะที่เธอว่านั่นนะ่ะเป็นช้อยต้นๆอืมดีใจนะก็รู้ว่าเธอน่ะมันพวกบ้าอุดมการ พระเจ้าทรงสอนให้บ้าอุดมการด้วยหรือเปล่าพระเจ้าทรงสอนให้รักประเทศชาติรักบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองให้พยายามพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนี่ถึงยังไงก็อย่าลืมเอาระบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าไปร่วมด้วยละ่ะมันเป็นระบบที่ยั่งยืนและก็มั่นคงไม่ว่าเศรษฐกิจในโลกจะเกิดภาวะยังไงก็ตามแต่ถ้าเรายึดมั่น ในเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงแล้วล่ะก็มีชีวิตรอดอย่างสบายๆอยู่อย่างสบายๆไม่ทุกขนะ์น่ะเธอเข้าใจไหมทุกวันนี้นะหันหน้าไปทางไหนก็มีแต่คนอมทุกข์ทั้งนั้นยิ่งในเมืองใหญ่ๆแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันหาเงินโอ้อยเห็นแล้วแซงสุดๆเลยและที่ภูเก็ตเราเป็นหรือเปล่าไม่หรอก ที่ภูเก็ตยังมีกลิ่นอายของครัภที่อยู่นะเธอมันไม่ได้แออัดเหมือนในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพหรือว่าเชียงใหม่แล้วเธอละเมื่อไหร่จะมาเที่ยวสักทีฉันรับรองนะเธอมาแล้วนะ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนฉันจะพาเธอเที่ยวให้ทั่วเลยขอบใจมากฉันจะไปแน่นอน ของพี่ยิ่งของเธอไงพี่ยิ่งไม่ใช่ของฉันแล้วเี่อ <c oughs> ขำอะไรยะรู้นะเธอกํากลังงอนที่พี่ยิ่งไม่ยอมติดต่อเธอใช่ไหมล่ะเป็นเธอเธอจะเคืองไหมล่ะเอาหนะ้างานเขาอาจจะยุ่งมากๆก็ได้รู้หรือยังแล้วว่าเขาได้ก้าวเข้าไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีนะ่ะรู้แล้วเรังสือพิมจะลงหน้าหนึ่งใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะไม่รู้ก็กลายเป็นคนตกข่าวแล้วล่ะเนี่ยฉันว่านะช่วงเวลาสองสาปีที่เขาหายไป คงจะเป็นเพราะว่าเขาต้องซุ่มเก็บตัวหรือไม่ก็ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาตัวเองให้สามารถขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงสูงได้เธอว่าไหมไม่รู้สิฉันยังนึกไม่ออกเลยว่าเขาเก้าวเข้าไปร่วมรัฐบาลได้ยังไงก็นี่เมื่อเขาออกจากบ้านพลตำรวจเอกชัยพี่ชายริศนรงแล้วนี่นาะคนดีพระเจ้าทรงครุ้มครองดนบันดาลสิ่งดีๆในชีวิตให้เสมอไม่ใช่เหรอเธอยังจาได้เหรอจ๊ะจาได้สิ ก็เธอพูดกรอกหูฉันบ่อยมากตอนที่เราอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยด้วยกันนะ่ะแล้วเธอว่ามันจริงหรือเปล่าล่ะเนี่ยมีตัวอย่างที่พิสูจน์ไปแล้วนะไม่ใช่แค่รายของพี่ยิ่งหรอกอย่างของฉันก็เหมือนกันถ้าอจะไม่เคร่งครัดในการทําดีต่อคําสอนของพระเจ้าฉันอาจจะไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่เห็นก็ได้หรืออาจจะไม่ได้งานอย่างที่ตัวเองหวังก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะจริงมะจ้าแล้วเรื่องของพี่ยิ่งล่ะเธอจะทํายังไงต่อไป ควานหาเขาแทบตายจนเซ็งสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ตามหาเขาอีกต่อไปแล้วอยู่ๆเขาก็ปรากฏตัวตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็ออกตามสื่อวิทยุโทรทัศน์เธอรู้ที่อยู่ของเขาแล้วเธอจะไปหาเขาไหมตอบยากนั่นไงในที่สุดเธอก็ผิดคาพูดตัวเองผิดคาพูดยังไงเล่าก็เธอบอกว่าจะไม่ควานหาเขาแล้วไงก็ไม่ได้ควานหาเขาโผอกมาเองตั้งหากเล่าเออมันก็จริงของเธอนะ พี่ยิงเขาโผลออกมาเองแท้แท้เอ้าเๆแบบนี้อนุโลมให้ไปหาเขาได้จ้าแล้วอย่าลืมนะจ้าเซวิทเผื่อฉันไปด้วยบ้าไปแล้วเธอแค่นี้ก่อนนะจ้าแล้วจะโทรไปหาอีนี่นี่เดี๋ยวเดียวคอนอะไรเหรอขอเบอร์โทรที่ทํางานเธอด้วยจ้าอ๋อดูสิฉันลืมไปแล้วนะเนี่ยว่ามาเบอร์อะไรมีกระดาษหรือปากกาหรือ ย, อยังหลังมีแล้วละจ้าฝากนะจ้าจ้า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 มีช่วงที่ดีแล้วร้ายอาจมีใครมากมายที่รวมสุดตัวตอนที่เราทุกใจมองหันไปไม่เคยเจอใครมีเพียงสองเราเท่านี้แต่ดีที่ชีวิตคนพยายามเดินรอนคนหาเรื่อยไป อะไรที่เป็นของนอกกาจะจะมีสักกี่คนเข้าใจว่าความรักนั้นไม่ต้องการอะไรมากกว่าใจกับใจที่ให้กันบ <I <mean I love you> างที่คนเราเหมือนจนลืมมันไปว่าอะไรที่มีความหมายและสงคัญ That day, that day, that day. ที่เราจะได้รักกันกว่าที่เราจะมีคำว่าเราเก็บเอาไว้สิ่งเหล่านั้นอย่าให้มันลบเลืมก็จะมีสักกี่คนเข้าใจว่าความรักนั้นไม่ต้องการอะไรมากกว่ใจกับใจที่ให้กันบางทีคนเราเหมือนจะลืมไป ว่าไรที่มีความหมายและสำคัญ อ, อ, อย่าลืมคำว่ารักคำนั้นอย่าลืมความรู้สึกนั้น ยัมอกันเปงสิมอกันเป็อย่งางยัคํามก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 ฉัน วันไหนมืดมนไม่เหลือใครๆคําไว้ว่ายังมีฉันเพราะฉันยังคงห่วงใยคืนที่เธอหนาววันที่เธอหนาว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 ไม่ใครที่เฝ้าคอยดูแลเธอ แม้ว่าบนเตียงจะไม่มีใครแต่ก็เหมือนมีเธอข้างกาขกอฉันเบาๆเหมือนเคยเพียงดีกลิ่นหอจะมอนใบเดิมที่เราต่างเขรวมฝันแค่ได้กิถึงกันก็สุขใจ ความรักกความรักที่คยจะจางหายไปไม่ว่าวันเวลามันจะนานจะเท่าไรตอนนี้เธอไม่รักใครกลิ่นขความรักกลิ่นขความรั ก, ม, ม, รกมันยังเติมอยู่ในหัวใจความดีกว่าน้ำหอมของใครใคนไหน เพียงดื่มหอมจับมอญใบเดิมที่เธอเคยนอนใกล้ฉันแค่ได้คิดถึงกันก็สุขใจเกความรักเก็บความรักไม่เคยจะจางหายไปถึงแม้ว่าวลามันจะนานจะเท่าไร่ก็มีเธไม่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 เธอจะอยู่ที่ไหนในทุกลมหายใจจะยังมีเธอเสมอ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 ปกติแล้วพอกินอย่างนรกสองจานนะอืหรือไม่ก็จานครึ่งอืมแต่นี่พ่อกินแค่จานเดียวเองอืมพ่ออย่างที่ถึงไอ้ยิงอยู่ใช่มไหถามให้มันได้อะไรขึ้นมาไอ้มอืผมน่าเป็นห่วงเหมือนกันนี่นะพวกเราทุกคนน่าเป็นห่วงพ่อพักหลังมาเนี่ยสายตาพ่อเป็นไงบ้างอะมันจะเป็นอะไรก็เหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเดิมอะไรอะพ่อ เห็นไอ้เย็นมันบอกว่าพอแทบจะมองอะไรไม่เห็นอยู่แล้วนี่คนแก่จะเอาอะไรนักหนาละโว้ยเห็นล่างๆก็ดีถมถืดไปแลอยศเลยพวกผมน่ะตกลงกันแล้วนะพ่อนาะตกลงอะไรของพวกเองวะก็ให้พี่ใหญ่พูดดีกว่าเดี๋ยวผมพูดผิดๆถูกๆก็โดนพ่อเตะอีกตาเพิดด้วยเอ้าไอ้ใหญ่จะ้ะพวกเองตกลงอะไรกันไว้คือพวกผมตกลงว่าเงินที่เหลือเก็บอยู่เดี่ย จะพอพ่อไปรักษาตาล่ะเอ็งจะบ้าเลยใหญ่ข้าขอถามหน่อยเถอะวะใครเป็นเจ้าของความคิดบ้าบาแบบนี้ฮะความคิดบ้าที่ไหนล่ะพ่อเป็นความคิดที่เป็นเสริอมสุดแ ล, ะละ้วล่ะพวกผมอยากให้พ่อกลับมามองเห็นชัดเจ๋อไม่ใช่เดินไปไหนก็ต้องคลํานูน่นคลานี่ไปเรื่อยแล้วเอ็งคิดหรือว่าไปหาหมอแล้วเนี่ยหมอมันจะทําให้ข้ามองเห็นได้อย่างแต่ก่อนได้สิพ่อเอ็งเอาอะไรมาพูดวะพวกผมไปหาหมอมาแล้ว หมอหวังไงหมอบอกว่าพาพ่อไปตรวจดูก่อนอาจจะเป็นอะไรนะเย็นเอ็งจำได้นี่เอ็งพูดสิเป็นไรวะตอกกระจกนะพ่อมันกะตอหินอะไรทัน้นองนั่นล่ละเออแล้วพวกเองไม่รู้หรือไงว่าแค่เหยียบเท้าเข้าไปหาหมอก็ต้องควักเงินแล้วไม่มีเงินเละฮะพวกคนบางคนมองตั้งแต่หัวดจดเท้าเลยนะเอ็งเอ้ยไม่เอาเว้ยข้านั่งน่งนอนๆอยู่บ้านยังจะดีกว่า ดีกว่าไปหาเรื่องให้พวกมันดูถูกเหยียดหยามเอาไม่หรอกพ่อเจ้าหน้าที่ก็พูดดีมากเลยอ่ะสุภาพมากด้วยไอ้ยเย็นเอ็งไม่รู้ประสีประสาเอ็งอย่าพูดดีกว่าตอนที่เอ็งไปคุยกับเขาเนี่ยเอ็งไม่ได้แขวนป้ายห้อยคอว่าเอ็งเป็นคนยากจนนี่วาพวกมันไม่รู้ละ ว, ว่าเอ็งน่ะไม่มีเงินแต่ทั่วพวกมันรู้แล้วขอถามหน่อยเถอะพวกมันจะพูดดีกับเอ็งหรือเปล่าพูดดีสิพ่อ ผมบอกพวกเขาแล้วว่าพวกเราเป็นเกรรษตรกรไม่มีเงินหรอกมีก็แค่เนๆใๆหน่อย ๆ, ๆเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรให้พาพ่อมาตรวจเถอะแล้วก็ทำการรักษาก่อนไม่มีเงินเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาทาเรื่องช่วยพ่อได้มันพูดอย่างนี้เลยอ่ะครับพ่อไม่ใช่กระถามพี่ใหญ่พี่เยี่ยมดูก็ได้พวกเขาก็อยู่ตอนที่เจ้าหน้าที่คุยกับผมนะ่ะนะพ่อนะไปนะพ่อนะนะพ่อนะเรื่องใหญ่นั้นเนี่ย อยากมีชีวิตยอยู่รอไอ้ยิ่งหรือเปล่าอ่ะถ้าพ่ออยากรอให้ถึงวันนั้นน่ะพ่อก็ต้องย้อนไปหาหมอพ่อมองเห็นพ่อก็ทำโน่นทํานี่ได้ร่างกายพ่อก็ได้ออกกําลังกายก็แข็งแรงอยู่ได้ต่อไปอีกนานทีเดียแต่ถ้าพ่อปล่อยปละละเลยร่างกายก็สุดไปเรื่อยๆแล้วจะเอาแรงที่ไหนรอไอ้ยิ่งมันอ่ะไอ้ยิงมันอยู่ที่ไหนของมันนะข้าคิดถึงมันเหลือเกินไม่รู้มันไปไงบ้างเว้ เป็นตายร้ยได้ยังไงก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นมันหายจากบ้านไปหลายสิบปีแล้วแต่หัวใจของข้านี่สิยังหวงหาอาทรมันเหมือนเดิมเฝ้าภาวนาให้พระเจ้าคุ้มครองชีวิตมันข้านะ่าศรัทธาพระเจ้าข้ามั่นใจว่ามันยังไม่ตายหรอกมันอยู่ในความดูแลของพระเจ้าสักวันหนึ่งะมันจะต้องกลับมาหาข้าข้าขอภาวนา ขอให้พระเจ้าเี่ยช่วยลูกด้วยช่วยดลบันดาลให้ยิ่งมันกลับมาหาพ่อของมันสักวันหนึ่งเจอาถึงแม้จะเป็นลมหายใจเหือกสุดท้ายของพ่อมันก็ตามพ่อคนนี้ก็อยากเห็นมันอยู่ตรงหน้าก่อนที่จะหลับตาและจดจําภาพของมันไปกับวิญญาณของขา้าพระเจ้าช่วยลูกด้วยเถอะพอ่อผมผมขอโทษไอยเยี่ยมเอ็งจะมาขอโทษอะไรข้าวะ S <S เอ็งร้องไห้ทำไมไอ้เยี่ยมเอ้ยคือผมผมบังไอ้เยี่ยมเอ็งร้องไห้ทำไมแล้วมาขอโทษข่าวเรื่องอะไรไอ้เยี่ยมมันคงจะขอโทษที่ดูแลพ่อไม่ดีเท่าที่ควรน่ะพวกเราก็มีกันตั้งหลายคนแต่ก็ไม่สามารถทําให้พ่อมีความสุขได้ผมผมผมขอโทษนะนะพ่อนะบ่โถเอ้ยขัานึกว่าเรื่องอะไร มันไม่เกี่ยวกับพวกเองหรอกข้าเป็นแบบนี้ก็เพราะสังขารของข้าเองน่ะมันแก่แล้วสังขารก็ร่วงโรยไปตามวัยนั่นะเองเว้ยจะให้แข็งแกร่งอย่างตอนหนุ่มๆได้ยังไงอย่าคิดมากเลยัน้เออเรื่องเล็กเปล่าๆนะแต่ว่าผมเออไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วพวกเองกินกันเข้าไปเถอะนะข้าอิ่มแล้วจริงๆะเย็น ประคองพ่อไปดั้งที่ทะเบียงทีสิพ่อครับผมประคองให้นะฮะออขอบใจแก่แล้วก็เป็นอย่างนี้และเป็นภาระของใครต่อใครไปหมดพวกเองยังหนุ่มยังแน่นมีแรงทรมาหากินอย่ามัวแต่เพลินกับการทรมาหากินซะจนลืมทำมาหาก็บกันละ่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ากว่าจะรู้สึกตัวต้องเก็บเงินมันก็สายไปซะแล้วแกแล้วเนี่ยสังขารไม่ไหวแล้ว ถึงตอนนั้นเทวดาก็ช่วยอะไร <c oughs> พวกเองไม่ได้หรอรกครับพ่อข้าก็เห็นพวกเองขับคับอยู่นี่เลยนะขอถามสักหน่อยเถอะพวกเองหลายพี่น้องเนี่ยนะมีเงินเก็บเป็นกังละกี่แดงวะไม่ถึงร้อไม่ถึง100ร้อยตั้พ<ว>่อพเออเออเออจำเลินนะพวกเองถ้าเกิดภัยธรรมาชาติขึ้นมาแล้วก็พวกเองคงจะต้องแพะเปลือกไม้เผากินแน่แน่เลยถึงจะมีเงินเก็บคนละไม่เกินร้อย แต่พวกเราก็มีกองกลางกองนึงเอาไว้พาพ่อไปรักษาดวงตาได้อะเท่าไรไอกองกลางที่เองว่ามันอ๋อพันห้าก็พ่อเยอะมากเลยเนาะพันห้าของเองเนะไอใหญ่คือเออคือว่ามันอย่ามาเสียเวลากับข้าเลยเก็เเบไอเงินพันห้าไว้ต่อชีวิตยามภัยธรรมชาติบุกมาทำลายไร่นาจะดีกว่าเอาละไ อ, อเย็นขนั่งตรงนี้แหละครับพ่ อ, อขอบใจนะ พ่อจอะได้อะไรอีกไหมไม่เอาแล้วเองไปกินข้าวต่อเถอะครับพ่อเออย็นเลยเองต้องเชื่อนะว่าไอ้ยิ่งพี่ชายของเองมันยังไม่ตายข้าน่ะฝันเห็นมันอยู่บ่อยๆครับพ่อพี่ยิงยังไม่ตายอย่างที่พ่อมั่นใจแน่นอนครับพี่ยิ่งจะต้องกลับมากราบทานน้ำชาอย่างแน่นอนครับพ่อดีดีดีแค่คิดก็ดีใจแล้วล่ะไอ้ยิ่งมันจะต้องกลับมากราบเท้าขา้า ดีแล้วเกินรูกรักของขา <laughs> คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากละครที่จบไปนี้โปรดเขียนข้อคิดของท่านโดยทางปริศิาบัตด้วยจดหมายมาหาเราได้ที่ตูปนอสิบเชียงใหม่